สอบถามเพิ่มเติม02 592 1933รายการชีวิตวัฒนธรรมโดยอาจารย์พนโนธรรมเนียมอิน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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กรุปพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันปนนธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะพบกันเช้ามืดของวันเสาร์ตีสี่ถึงตีห้าค่ะเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสดชื่นแจ่มใสร้อนอบอ้าวฝนตกโอ้เมื่อสัปดาห์ก่อนๆ น, นะคะมันมีทุกรสเลยในขณะที่ดินทราบข่าวว่า ทางจังหวัดสุรินทร์เพื่อนส่งแหล่งน้ำมาให้ดูตก๊กระจายหมดเลยนะคะมันแห้งลงไปจนกระทั่งถึงกล้นคลองมันแห้งลงไปจนถึงก้นคลองแล้วดินก็แตกระแหงแถมเพื่อนก็ยังพิมพ์ในลายมากํากับว่าเพื่อนที่อยู่ในตัวเมืองสุรินทร์บางคนถึงกับต้องซื้อน้ำเอาไว้ใช้ฟังแล้วน่าตกใจนะคะส่วน คนที่อยู่แถวอ่างทองเดนก็มีญาติอยู่แถวแถวนั้นเขาบอกว่าฝนตกพล้ำๆต้นมะเขือซึ่งปลูกไว้ยังเก็บไม่ทั่วเลยคนที่ทำนานาก็ต้นข้าวจะตายแล้วคลองที่มีแหล่งน้ำไหลมาคนที่อยู่ต้นคลองก็ตากกัไปหมดปลายคลองก็ลำบากไปโอ้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วหรือในหน้าฝน ในขณะที่กรุงเทพมหานครไม่ได้อยากได้ฝนเลยเจ้าค่ะเอ้ยแต่ตีสี่ก็สู้สะดุ้งตื่นถัดมาอีกวันตีสามกว่าสู้สะดุ้งตื่นพอตกเย็นก็มืดฟ้ามัวดินไปหมดแถมเวลากลางวันก็ยังพล่ำพอีกเนาะทำยังไงดีเนาะสมดุลของธรรมชาติไปตกที่เขาอยากได้น้ำเถิดเจ้าประคุในกรุงเทพไม่ได้อยากได้น้าเลยค่ะ ชาวไร่ชาวนาอยากได้น้ำขอเชิญไปตกทางนู้นนะคะคุณระวังคะวันนี้คุณพนอมมาอะไรแต่เช้ามืดวันนี้นี่เป็นเอ๊ะ 89.5 จริงๆนะคะแต่ว่าดิฉันอยากให้คุณระวังมีความสุขอยากให้เชาานี้เป็นวันที่สดชื่นแล้วก็มีพลังไปด้วยกันนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรเราต้องพร้อมสู้และไม่ใช่ว่าคนพูดไม่เคยเจอเลยสิเจอค่ะเจอทุกรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ มั่นใจว่าทุกๆคนก็เจอไม่แพ้กันแหะคะ่ะแต่เราต้องหาทางจัดการกับสิ่งที่เราเจอเจอให้ได้และผ่านมันไปให้ได้อย่างดีที่สุดเช้านี้ดิฉันพนาทําเนียมอินมารายงานตัวแต่เช้ามืดโดยมีคุณไอซ์ควบคุมเสียงแล้วก็หาเพลงเพราะๆให้เราได้รับฟังกันนะคะคุณฟังก็จะได้ทราบว่าเดือนก็จะมีทีมงานที่มีทั้งคุณบิก๊ก คุณทะเนศคุณไอซ์และจุดๆมาช่วยดูแลให้เราได้พบกันได้มีบทเพลงเพราะๆฟังกันนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างชีวิตวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างมีความสุขไปด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องต่างๆที่ดิฉันเตรียมมาชวนมาเล่านะคะฟังถึงแรกจากรายการกันก่อนเลยค่ะ จากน้องคนงามแววบุรถไฟที่แสนอาไลสมุดสงครามคงละเมอเพอพรำคิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลองรากชะการทานเรียบใช้ลูกน้ำเค็มข้าวท้าเพื่อไทย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 เมื่อคืนข้างแรมเมษาสงน้ำรวมน้องปิดท้องราปฏิมาอธิธานรักอยู่หูฟ้าวันเกิดมารู้วมใจปั๊มพระจุลไกลบ้านห่างน้องเมื่อฝนมาฝ่าป้านกนอง ได้ยินถึงน้องหรือไม่พี่ส่งสัญญาปากฟ้าครวญมาจากห่วงหัวใจคือเสียงครวญหวนให้ทหารเรือไทยยังห่วงแม่กลอง ฝนมาฝากป้าก็นองได้ยินถึงน้องหรือไม่พี่ส่งสัญญาปากป้ากรวนมาจากห่วงหัวใจคือเสียงครวญห่วนให้ทหารเรือไทยยังห่วงแม่ สาวันที่แล้วหลายคนอาจจะยังไม่มีโอกาสไปไหนเพราะกลับบ้านไปหาแม่จ้าสัปดาห์นี้นะคะยังคงมีงานให้คุณวังไปเที่ยวได้ศิลปะชีพประทีปทไทยโอท็อปกล้าไก่ด้วยพระบารมี 2,562 ภูมิปัญญาคู่แผ่นดินหัตถศิลป์แห่งแพรพันฟังแล้วทราบเลยนะคะว่าเราจะได้ไปเดินที่ไหน บางคนบอกไปมาแล้วคุณพนอกระเป๋าเบาไปเรียบร้อยแล้วแต่บางคนยังไม่ได้ไปอย่าเสียดายค่ะงานยังมีถึงพรุ่งนี้นะคะ 10-18 สิงหาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกางานนี้จัดที่อาคารเชลเลนเจอร์ 1-3 อิมแพกเมืองทองธา น, นีนะคะก็เป็นอลังการงานภาคครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็สินค้าโอทอบกว่า 2,500 ร้านค้าทั่วไทยเลยค่ะมีผลิตภัณฑ์โมลลูลนิที่ส่งเสริมศิลปาชีพชมผ้าไทยในตำนานผ้าทออาเซียนลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้และโอทอบชวนชิมนะคะนอกจากนั้นก็เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงและลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานค่ะ ใครที่กำลังมองหาว่าโอ้เดือนหน้าจะมีเพื่อนกเกษียณอายุราชการก็ไปหาของขวัญของที่ระลึกกันที่งานนี้ได้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเปลี่ยนงานไทยๆของเรานะคะผู้รับก็สุขใจผู้ให้ก็อิ่มเอมค่ะแม่โฆษณาแทนเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าดิฉันก็รู้สึก เช่นนั้นจริงๆคุณผู้ฟังคะเล่าเรื่องราวของความเป็นไทยติดต่อกันสองสัปดาห์ชวนคุณฟังไปเที่ยวไปสร้างความสุขกันมาแล้วมองกลับไปชีวิตที่มันวัฒนวัฒนธรรมกันบ้างจะไม่ไรายงานเลยนะคะก็ดูจะแปลกๆไ ป, ปเพราะว่างานเนี่ยเขาก็จัดยิ่งใหญ่แต่ว่าผ่านไปแล้วนะคะเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์สองพันห้าร้อยหกสิบสองซึ่งเขาก็ ใช้คำว่าร่วมภารกิจพิชิตอวกาศไขความลับบนดวงจันทร์ก็ขอราย ง, งานให้ทราบก็แล้วกันนะคะว่ากิจกรรมนี้เขาจัดกันที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับงานนี้บ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้คุยขเขาต่อได้นะคะเขาบอกว่ากิจกรรมนี้จัดไปแล้วค่ะ17ประเทศ102องค์กรได้มาร่วมงานมหกรรมวิดโช่9ไฮไลท์ เทคโนนะคะก็มีทั้งสตา ร, ร์ความลับบนดวงจันทร์ใหญ่สุดในอาเซียนแช้หมดเปลือกวิทยาศาสตร์ขนมถ้วยฟูร่วมฉลอง50ปีกับก้าวแรกของมนุษย์ที่ไปดวงจันทร์โอ้โหเดียนก็ติดภารกิจสำคัญอยากไปดูเขาเหมือนกันนะคะแต่ หลายท่านคงได้เห็นทางข่าวแล้วล่ะแล้วก็เราคงจะติดตามดูย้อนหลังกันได้ทางโลกโซเชียลนะคะกิจกรรมนี้เขาจัดกันเมื่อไหร่โน่เลยค่ะตั้งแต่วันที่7สิงหาคมนะคะเขาก็มีการจัดงานโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งงานนี้รองศาสตราจารย์ในแพทย์สรนิช ศ, ศิลธรรมนะคะ8กระทรวงก็ได้กล่าวว่า เป็นการจัดงานมากกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2,562 ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้จัดแล้วจบไปแล้วนะคะ๋ อ, อดิฉันก็นึกว่าจบกันไปแล้วเพราะว่าเห็นเขาบอกว่า มีกิจกรรมกันไปเขาก็เชิญดิฉันไปร่วมงานแล้วดิฉันก็ติดภารกิจสำคัญงานยังไม่จบค่ะเป็นข่าวดีเขาบอกว่าวันที่สิบหกอ๋อก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะคะจัดไปจนถึงยี่สิบห้าสิงหาคมเลยโอ้ยังมีเวลาค่ะยังมีเวลาอีกเป็นอาทิตย์นะคะอาคารหกถึงสิบสองอิมแพกเมืองทองธานีค่ะ โดยปีนี้นะคะก็มีนานาชาติให้ความสนใจมาร่วมงานถึง17ประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียกัมพูชาจีนเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมันอินโดนีเซียอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ สาราชอาณาจักรนะคะแล้วก็มีองค์กรต่างๆถึงร้อยสององค์กรมาร่วมแสดงผลงานแล้วก็ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ก้าวไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจอย่างเช่นนิติสกานภารกิจพิชิตดวงจันทร์เพื่อร่วมฉลอง50ปีกับ เก้าแรกบนดวงจันทร์ของมนุษย์เราหลายท่านคงจำได้นะคะถ้าเกิดทันอพอลโล11เอ็ดเดืนก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นเป็นเด็กๆมีมนุษย์ขึ้นไปเดินย่องย่ ง, ย, งยกเพราะว่ามันน้ำหนักน้อยกว่าบนโลกมนุษย์เรานะคะเก้าแรกที่มนุษย์เหยียบลงไปอ้เรายังจำชื่อนิวอัลสตองและเพื่อนๆได้แต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้มีคนมา เป่ากระแสว่าอุ้ยเขาจ้างจัดฉากกันหรือเปล่าคิดอย่างั้นได้ยังไงก็ไม่ทราบแหละนะคะแต่ว่าเราเชื่อไปแล้วแล้วเราก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะจริงนะก็ไปดูนะคะพลาดไม่ได้กับความลับของดวงจันทร์เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์จริงกับประสบการณ์สี่มิติเลยนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ที่เป็นภาวะไร้น้ำหนัก มูนวอล์กที่ทีฉันบอกไปเมื่อกี้เดินยงโย่ยุงโยกเดินยงยิงยงยิงยงยิงไม่เดินสง่าผ่าเผยเหมือนเดินบนโลกใบนี้เพราะว่าน้าหนักน้อยกว่าที่นี่เยอะเลยนะคะแล้วก็มีเเรื่องราวของผลงานอันน่าทึ่งของนักประดิษฐ์ที่เขามีแนวคิดก้าวล้ําเกินยุคในนิเทศการต่างๆนะคะที่นักประดิษฐ์เขาคิดค้นมาชนิดที่เรียกว่าผู้คิดประดิษฐ์นี่อยากจะเปลี่ยนโลกเลยนะคะ เราคงทราบนะคะว่าเขาหาที่อยู่ใหม่บนโลกดาวอังคารน้นนี่นั่นให้คนไทยหรือคนทั่วโลกไปสนใจเพราะฉะนั้นเขานำมาให้เราใกล้ตัวแล้วเราไปดูกันนะคะแล้วใครที่สนใจเรื่องราวของตารางธาตุกับนิทรศการ์มาสจรรยร์เมืองแห่งธาต เราคงรู้จักนะคะธาตุทองธาตุเงินธาตุ่นนี่นั่นมีความมหาัศาจรรย์แค่ไหนอย่างไรไปเรียนรู้กันได้แล้วก็ยังมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้ก็เรื่องของชีววิทยาละค่ะมีนิทัศาการพินิษพิพิธ พ, พันธ์ที่ถอดแบบมาจากสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์สมิธ โซเนียนนิทรศกาลที่จะนำพาทุกท่านไปรู้จักเรื่องราวของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งของไทยเราเองแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะคะในการเสนอรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่คะแล้วก็ในงานนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างของดองร้องดอ ง, ดอ ง, ดองของสตัรแล้วก็สตสตับเป็นพันพั น, พนชนิดเลยนะคะซึ่งทำไมเขาต้องทาเขาทาให้เรารู้ว่า สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดทั้งประโยชน์และโทษมนุษย์เองก็เป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะคะก็ไปชมนิทศการเหล่านี้เราก็จะได้ทราบว่าดินฟ้าอากาศพื้นน้ำธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญกับเราอย่างไรนอกจากนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวินระวิวงผู้อเนกรัรอพวชก็ยังได้กล่าวว่า ที่สำคัญและไม่อยากให้ทุกๆคนพลาดนะคะก็คือนิทรรศการเทริดเพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาศที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรผ่านโครงสร้างและกลไกลที่ทำหน้าที่แสดงผลสำริด จ, จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆค่ะ ในด้านของการพัฒนาดินน้ำป่าแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นก็ยังมีนิทรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นคุณุปการต่อ ง, งานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศไทยค่ะขอเชิญ น, นะคะงานยังจัดถึง25สิงหาคมนี้ที่ อาคาร6ถึง12อิมแพกเมืองทองธานีค่ะงานสำคัญสำคัญผ่านไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็ขอเชิญไปเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเพราะๆยามเช่ามืด น, นี้กับคุณไอซ์สักเพลงค่ะ จะเรียกร้องให้เธอนั้นมาเคียงกลายหัวใจของน้องรำร้องหาเธอชาวรับสัจะรกรรมน้ำตาไม่มีจะไหลยอยากคิดลืมดี่แต่ สุดหักใจสุด้ามหักใจไม่ไหวเพราะว่าหัวใจฉันเป็นทาเธอฉันรักเธอยิ่งกว่าใครๆเธอจะรู้หรือไม่ว่าใจฉันมั่นเสมอ จะมีชายอื่นที่ดีกว่าเธอยังมั่นต่อเธอเสมอเพราะฉันรักเธอยิ่งมากชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้แมนว่าวใจของเรารักกัน เธอมีคู่อยู่แล้วเธออย่ามารักเมนหาชาติ น, า, นามีรักก็เป็นคนรักคนแรกของเธอ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 มองดังจะร้องเรืินบัญญาชีวิตมาร้องเหมือนหวังมีพกระเหินระหกคายเสียงไปเพื่อแหลกกับเงินเอามาใช้ได้จับ ฟ้านกกาโพพินออกหากินบินเรื่อยไปแม่บ้านก็ตื่นเก็บพืนก็อไปหุงข้าวหม้อใหญ่แบ่งกันกินจึงขอความการงณาจากนายนาที่ได้ยินอย่าเบืเด่ดฉันหรือตีชินคนที่หากินด้วยเตียงเพลง นักร้องทุกคนโดยเฉพาะผมไม่เคยนิยมว่าตัวเก่งเพียงแต่ร้องได้พอเป็นเพลงไม่เคยอวดเก่งว่าเสียงผมดีถ้าพวกผมไปแสดงกันที่ได้ระยะทางไม่ไกลอย่ารอรีจับรถจรับ ขอเชิญสี่ขอความปราณีเมตตาตุว่านถึงเพลงจบไปฝากใจไว้ชิดแน่สนิทกับทัวท่านยกมือวันพาวันหน้าพบกันขอความสัมพันธ์นิรันดรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงช่วยดลให้ท่านพาวอนขอให้สุข อย่าได้เดือดร้อนยามหลับยามนอนฝันเห็นเงินทองว่าจากกันก่อนนะทันทั้งหลายว่าจากกันก่อนนะทันทั้งหลายเมื่อเพลงจบไปอย่าได้มุนมองคิดอะไรคอยตุมปองคิดถึงคนร้องบางนะ ท่านที่รุะขณะ น, นี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมที่ฉันพนธธรรมเนียมอินดำเนินรายการนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนทุกท่านจนถึงตีหอยากให้เช้าวันนี้เป็นวันที่สดใสสุขใจของทุกทุกคนที่ฟัง FM 8.9.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้เรามีหลายๆยสีสันให้ทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังนะคะเพระเนาะฉะนั้นก็ เรามาร่วมกันสร้างสารสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านช่องทางของคลื่นวิทยุกระจายเสียงและช่องทางอื่นๆไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ังคะถ้าอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปชื่นชมสมบัติชาติเรามองหาโอกาสให้ตนเองและครอบครัวเพื่อนรักหรือกลุ่มสนิทของเราแล้วก็นัดวันเวลากันเพื่อที่จะตระเตรียมนะคะ เพราะทุกคนเนี่ยทำงานเหนื่อยเหนื่อยเนยเนื่อยทำมาหากินจริงๆเลยนะคะแต่บางคนบอกทัานทำมาหาก็บจ้ะบางคนบอกท่านทำมาหาเก็ บ, บ, บ, กาากบและเก็บเพื่อจะไว้สําหรับคนนูน้นคนนี้คนนั้นในอนาคตบางคนก็สร้างสมดุลให้กับวิถีชีวิตได้ดีๆแต่บางคนก็ทิ้งน้าหนักไปด้านใดนด้านหนึ่ง ลืมดูลูกตุ้มถ่วงสมดุลก็อาจจะทำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้าเกินไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเดนน่ะหาเวลามากเลยคุณฟังคะ่ะคุณไอซ์ยิ้มมองหน้าและหาเวลาอะไรคุณพนอหาเวลาที่จะไปเที่ยวคะ่ะเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสุขมากๆเลยบางทีนะคะเราเหนื่อยจากการทำงานกลับบ้านเราก็รู้สึกว่าโอ้ยถึงบ้านแล้วจ้ามีความสุขจ ะ, จะนอนตีพุง่งนะ ทำได้ค่ะแต่พอมันจบเกมตรงนั้นไปแล้วเนี่ยโอ้เรามองหากิจกรรในบ้านอาชีพทำเสร็จทุกอย่างแล้วบ้านสะอาดครัวสะอาดบริเวณรอบบ้านต้มรื่นสวยงามน่าอยู่แต่อยากไปเที่ยวก็หาโอกาสให้ตนเองด้วยนะคะเพราะการไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกมันเป็นการได้เห็นชีวิตของผู้คนชีวิตวัฒนธรรมนั่นเองบ้านเรากินแกงส้มแบบนี้ อา้าวทำไมปักใต้เหลืองจ่อยเลยก็แกงส้มปากใต้เขาใส่ขมิ้นจนภาคกลางก็ไปเรียกเขาว่าแกงเหลืองไงคะเนาะพออยู่ภาคกลางโอ้โหเดี๋ยวมีแกงมัสมัน่นเดี๋ยวมีแกงเผ็ดมีแกงเขียวหวานมีอะไรที่ใส่กะทิน่ากินไปหมดเลย น, น้ำข้นมันวับราดข้าวนี่โอ้โหอยากจะตักกินกับข้าวสวยร้อนๆแต่พอไปทางอีสาน เขาไม่นิยมน้ำกะทิเขาก็จะมีแกงลีลาอีสานซึ่งจะออกไปสีใบยะนางนึกออกใช่ไหมคะเขียวเข้มๆออกไปทางดำๆหน่อยมีน้ำปูน้ำปลาเดกน้ำปลาล้าอะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสแล้วยังมีผักพื้นบ้านต่างๆเอาไว้ให้เราชิมหน้านี้เขายังมีไข่มดแดงมีแกงเห็ดสารพัดเห็ดเอาไว้ให้เราชิม พอไปทางเหนือโอ้โหข้าวซอยเจ้าดูกลิ่นกาะลองไปแล้วก็อยากไปกินข้าวซอยที่นิมมานอีกนะคะย่านนั้นมีข้าวซอยอร่อยหลายเจ้าเลยอยากไปขึ้นดอยอินทนนท์อยากไปม่อนแจม่มอยากไปว่าชิรทานโออยากไปหมดเลยพอไปทางเหนือก็อยากกินแกงโฮคุณผู้ฟังคะตอนที่ที่ฉันรับประทานแกงโฮเป็นครั้งแรกเนี่ยก็สงสยัยเอ๊ะ เขามีเครื่องปรุงอะไรเนอะทาไมวันนี้พี่ทำมามีวุ้นเส้นมีจิ้นหมูมีมะเขือพวงด้วยมีใบมะกรูดมีตะไคร้เอา้าอีกวันหนึ่งมาทำไมออกสีแดงๆมีเครื่องปรุงที่ไม่เหมือนพี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังในตามระสาเจ้าเหนือว่าจริงๆแกงโฮตเนี่ยคือแกงสํารวมกับเจ้าสั่งแค่นั้นก็ยังนึกภาพไม่ออก จนไปทำบุญที่วัดข้างบ้านแล้วคุณวังนึกถึงนะคะเทศกาลงานบุญใหญ่ๆเนี่ยพุทธศาสนิกชนก็จะพากันหลั่งไหลไปทำบุญอาหารที่นำไปถวายพรนะน่ะเยอะแยะเหลือเฟือจนมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาก็มาช่วยเอาหม้อใหญ่ๆมาวางวางๆๆ ง, ง, งแล้วก็เมื่อเรา ตักอาหารเป็นถ้วยถๆวยถวยที่ตักบาทพร้อมขึ้นจะนำไปถวายพระให้ฉันมื้อเช้าหรือมื้อเพลนแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังเหลืออีกแม่ครัวกับผู้ช่วยเหล่านั้นเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณเดี๋ยวเราจะทําแกงสํารวมหม้อใหญ่ๆเอาไว้สําหรับเลี้ยงพระในมื้อต่อไปภาคกลางเรียกว่าแกงสํารวมดิฉันก็มองว่าเขาใส่อะไรบ้างอ้าว กับข้าวสารพัดต่างๆไม่ว่าจะผัดเผ็ดชูชีแกงนู่นนี่นั่นเขาใส่ลงหม้อเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นแกงสำรวมซึ่งก็ไปตรงกับคำบอกเล่าของพี่เจ้าเหนือว่าก็นั่นแหละไอ้นู่นเหลือหน่อยไอ้นี่เหลือนิดก็เอามารวมกันเป็นแกงหฮอเออสำรวมภาคกลางกะหุภาคเหนือ จะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรไม่รู้เลยค่ะแต่อร่อยทั้งคู่เลยนะคะนี่คือชีวิตวัฒนธรรมด้านการกินสีสันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเ <_ S 1> <ๆ>พราะฉะนั้นเวลาที่ไปต่างถิ่นเนี่ยความสุขนอกจากได้เห็นชีวิตธรรมชาติบ้านเรือนของผู้คนที่รูปทรงต่างๆกันการแต่งกายที่บ่งบอกถึงชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าเรายังได้ชิมวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน ภาษาพูดภาษากายมันตื่นตาตื่นใจไปสมดุดพอเมื่อวันก่อนลูกศิษย์ก็ส่งภาพพังงามาให้โอ้โหสวยอยากไปอีกแล้ว <c oughs> พอมีนึกถึงพังงานนึกถึงอะไรคะอาหารปากใต้ที่รถจัดจ้านไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะพาสต้าแกงไตปลานะคะข้วกลิ้งโอ้โหอร่อยทุกอย่างเลย ปากใต้นี่เขาเน้นรถจัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ที่ดิฉันหลงไหลมากร้านอาหารทุกร้านของปากใต้เขาจะมีผักสรพัดสดๆวางไว้ให้เรากินแกล้มกับน้ําพริกที่เขาตำวางไว้ให้อีกเช่นกันเดนก็ไปติดใจกับเจ้ายอดมะม่วงหิมะพานธ์ะกาดนกเขาเออบ้านเราไม่มี แต่บ้านนู้นเขามีพการนกเขาก็ถามเขาเหมือนกันแหละค่ะทำไมเรียกพการนกเขาเขาก็บอกว่าคุณลองมองดูสิใบมันคล้ายๆอะไรเออคิดแล้วก็มโนตามไปได้หลากหลายดีนะคะนี่คือชีวิตวัฒนธรรมที่อยากให้คุณฟังหาโอกาสไปเที่ยวยิ่งไปกับครอบครัวไปกับคนที่รักมันจะทําให้ความสุขเกิดขึ้นอย่างคํานวณไม่ได้เลยคะ่ะแต่ว่า ความพร้อมของแต่ละครอบครัวไม่เท่ากันอันนี้ดิฉันเข้าใจลึกซึ้งเลยดังนั้นถ้าเราไปต่างจังหวัดไม่ได้เราก็ไปในชุมชนของเราก็ได้ถ้าถามจริงๆถ้าไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดรู้จักกันทุกบ้านในชุมชนของเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราได้ไปทุกแง่ทุกมุมไหมคะไม่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสถ้าคนอยู่ในเมืองนั่งรถเมล์รถไฟฟ้ารถสารพัด ที่จะเป็นสาธารนณะไม่ต้องใช้เงินเยอะไงคะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นได้แล้วก็เพื่อนดิฉันเนี่ยเขาเริ่มจกกะเกษียณอายุราชการเขาก็จะมีเวลาเยอะขึ้นเขาก็รวมกลุ่มกันเลยค่ะไปกับคอสอมออ ก, กอค่ะเดียเดยเด๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่เดี๋ยวก็ไปฤดูเทศกาลผลไม้เดี๋ยวก็ไปไหว้พระก้าววัดเดี๋ยวก็ไป ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ส่งรูปมาอวดยั่วยวนจิตใจของคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวเห็นไหมคะแค่คุณฝังได้ทําอะไรให้ชีวิตของตนเองมันมีกําไรชีวิตเกิดขึ้นมากมายเพราะเราได้เห็น<ม>เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไปเติมสีสันให้ชีวิตและก็ได้ลิ้มรสต่างๆที่เดนยกตัวอย่างมาแล้วก็ยังได้ถือสิ่งที่เป็น ของกลับมาหรือหยิบอะไรที่มันเป็นความรู้สึกทางใจเก็บเอาไว้ในใจโอ้มันทําอะไรได้สารพันนะคะและบางคนกลับไปบ้านเก่าที่ไม่มีบ้านปัจจุบันอยู่แล้วก็ไปคิดถึงความหลังเนาะอะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้เรามีความสุขนะคะเราทํากันเถอะนะคะเพราะต่อไปเนี่ยเราอาจจะเห็นช่องทางที่จะได้ทําความดีได้ทําบุญร่วมกันอีกเยอะแยะมากมายค่ะ อย่างเช่นแน่เดนมองเห็นหนังสือที่เขาแจกวันนี้นะคะอยู่ตรงหน้าเดนก็อดนึกถึงไม่ได้อุ้ยตรงนี้ฉันไปเที่ยวมาแล้วนี่เขาลงเรื่องราวของเที่ยววันเดียวเที่ยวราชบุรีหรือถ้าภาษาบ้านๆก็จะบอกเที่ยวราชรีไม่มีราชบุรีนะคะไปไหนไปราชรี คนแม่กลองราชบุรีเพชรบุรีก็จะตะโกนกันอย่างนั้นนะคะเนินนิดๆ ด, ด้วยนะคะไปเที่ยวเมืององคค่ะวันก่อนเราก็เห็นภาพข่าวทางโทรทัศน์ใช่ไหมคะที่เป็นวันครบรอบสําคัญแล้วก็มีการเปิดกิจกรรมของสากลโคนมราชบุรีที่หนองโพนะคะเราก็มองเห็นโอ้เราเคยกินนมหนองโพมาตั้งนานเราเพิ่งได้ทราบประวัติ ตอนนี้เขาก็เปิดอย่างทันสมัยไฮเทคเลยไฮโซด้วยมีมุมน้นมุมนี้มุมนั้นเห็นไหมคะคุณฝั่งก็สามารถไม่มีรถส่วนตัวก็นั่งรถตู้นั่งรถจนที่เป็นสาธารณะไปเที่ยวได้จริงๆอ้าวเขาลงรูปเขาถ้ำถ้ำเขาบินเอ่อถ้ำจอมพลเราเคยไปมาแล้วนี่โอ้เข้าติดไฟสีต่างๆสวยงามเนาะแล้วก็ มีพระพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราเข้าไปกราบไหว้บูชาด้วยอ้าวแล้วยังมีข้างขาวอีกนะคะมีเขาช่องพลาญ น, นะคะที่พอตกเย็นๆโรเพยโรเพเจ้าข้างข่าวก็จะบินเป็นสายเต็มฟ้าออกไปหากินคุณผู้ฟังที่กรบคะเรนเคยเล่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วคะ่ะแต่พอนึกเขาช่องพลาญโอข้างขาวแม่ไก่ตัวโ ต, ว ต, วตว บินออกมานับจํานวนไม่ท้วนเป็นสายยาวเต็มฟ้าอย่างนั้นแด้งก็คิดถึงสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กบ้านนอกอยากเล่าค่ะอยากเล่าเพราะว่าวันเนี้ยจะมีใครได้จําและได้มีโอกาสแบบดิฉันบ้างไม่ทราบแต่ส่งต่อให้คนใบเดียวกันก็ได้นะคะหรือคนที่รักอะไรที่เป็นพื้นบ้านพื้นบ้านตอนอยู่บ้านนอกเนี่ยเรียนอยู่บ้านสวนอัมพวาที่กลางบ้านก็จะเป็น ชาญบ้านก็คือไม่มีหลังคาค่ะเปิดเอาไว้สำหรับให้ลม <S <s <kald issant> โกลกเข้าในบ้านไม่ร้อนนะคะพอตกกลางคืนเดือนหงายเดียนจะชอบมากเลยที่จะไปนอนกลิ้งเกลือกเล่นอยู่บนกลางนอกชาญแล้วก็มองดูพระจันทร์กับดวงดาวเต็มฟ้าเลยนะคะแล้วทันใดนั้นก็จะมีเจ้าทั้งคาวแม่ไก่ตัวโตๆนี่แหละบินผึบผึบผเตี้ยบ้างสูงบ้าง พอมันผ่านมาตากับยายกับน้าสาวดิฉันก็จะมีบทร้องเล่นแล้วก็สอนให้พวกเราร้องแข่งกันเลี้ยงกับ น, น้าสาวคนเล็กเนี่ยห่างกันแค่ห้าปีเพราะฉะนั้นเราก็จะร้องแข่งกันสนุกสนานดังขับบ้านแต่เพื่อนบ้านไม่ได้ว่านะคะข้างขาวเอ่ยไปสวนในไปสวนริมเก็บทับทิมมาฝากบางเนะื้อข้างคาวเอย ไปสวนในไปสวนนอกเก็บมะกอกมาฝากบ้างเนือ้อนึกไม่ออกก็พยายามจะลากเข้าไปถูแหละค่ะว่าชอบกินผลไม้ชนิดไหนรู้อยู่แล้วว่าข้างข่าวมันไปหาผลไม้กินเป็นหลักใช่ไหมคะเราก็ตะโกนบอกมันว่าเก็บมาฝากบ้างนะแต่ภาษาไทยไงคะมันมีเสน่ห์มากมายแทนที่จะพูดกันด่าด่ดาดก็ตะโกนให้เป็นคําคล้องจองซะ น่ารักไหมคะไปสวนนอกเก็บมะก อ, อกนอกกับก อ, อกส่งสัมผัสกันสระออเสียงกอกไก่สะกดหรือตัวสะกดแม่ ก, กกนั่นเองไปสวนริมรอเรือสระ อ, อิหมอน้าสระอิแม่กลมสะกดก็ต้องเก็บทับทิมมาฝากบ้างเน้อ <S <S คุณแมงนึกถึงผลไม้อะไรนะคะถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าอยากกินทุเรียนค่ะ ข้างขาวมันคงแบกมาไม่ไหวเนาะแต่ตอนเป็นเด็กก็ยังอุตสารร้องกันเนาะข้างข่าวเอ่ยไปสวนไหนไปสวนเตียนเก็บทุเรียนมาฝากบ้างเนอะสวนเตียนเป็นยังไงคุณผู้ฟังคงบอกคุณพนอเพี้ยนไม่ได้เพี้ยนสวนเตียนก็คือสวนที่เขาทําความสะอาดจนไม่มีหญ้าไม่มีขยะให้รครุงรังก็แปลว่าโอ้โหมันสะอาดโล่งเตียนเห็นไหมเตียนก็ลากความเข้ามา เพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นความงามของวิถีไทยๆของเราว่าชีวิตวัฒนธรรมนั้นมันไม่ได้จมอยู่กับวิถีโบราณอย่างเดียวแต่เราสามารถบูรณ า, าการเอาชีวิตสมัยใหม่เข้าไปอยู่ได้ในขณะเดียวกันเราก็หยิบเอาของงดงามของเรามาอวดคนปัจจุบันได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชีวิตวัฒนธรรมอยากให้ ลูกหลานไทยไม่ลืมนะลูกถึงแม้ว่าเนี่ยตอนนี้หนูจะเตรียมไปดูคอนเสิร์ตพวกติ่งเกาหลีกันในเร็ววันนี้ก็ตามทราบนะว่าจะมีงานใหญ่ที่ไหนแน่เห็นไหมว่าป้าก็รู้แต่ป้าไม่ได้ไปดูด้วยนะคะแต่คนที่เ็าอยู่ใกล้ๆตัวเขาเตรียมไปดูเราก็หูผึ่งไปกับเขาด้วยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกรับเอาวัฒนธรรมหรืออะไรอะไรที่คนอื่นเขา ทำเขามีเขาเป็นแต่ถ้าเรารับมาทั้งดุลมันก็เหมือนกับเราใส่เสื้อคับคับไม่เข้ากับรูปทรงของเรายัางไงอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องปรับนะคะมันต้องปรับเราชอบกินพิซซ่าแต่เห็นไหมคะพิซซ่ารสใหม่ๆหหน้าอะไรคะกระเดียดมาทางไทยแล้วนะคะเราชอบกินเบอร์เกอร์เมื่อก่อนเบอร์เกอร์ก็ยังเป็นพันฝรั่งแท้แต่ตอนนี้เป็นไงคะ ไสบอร์กอก็จะเป็นลีลาไทยนะเพราะว่านี่แหละค่ะมันคือการถ่ายเททางวัฒนธรรมที่แท้จริงและมันก็จะยั่งยืนดังนั้นเราช่วยกันนะคะรู้เขารู้เราชีวิตจะได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยแท้จริงและเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันไม่ลืมว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนมีภูมิมหลังมีชีวิตและสิ่งรอบตัวเราอย่างไร และเราจะพัฒนามาให้มันเจริญอย่างไรและอะไรที่เป็นปัญหาเราจะช่วยกันกาจัดปัญหานั้นด้วยวิธีใดอย่างไรจึงจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะ mm hmm. คุณผู้ฟังคะ mm hmm. วันนี้นะคะ mm hmm. ก็มีเรื่องที่ไม่เครียดนะคะอยากจะเล่าให้มีความสุขแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายนะคะเพราะว่าบางทีชีวิตที่ เราจริงจังมันมากเกินไปมีเข้มมุง้งตั้งมั่นในความดีงามเรื่องใดเรื่องหนึ่งสูงยิ่งเนี่ยมันจะทําให้เราพลาดได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราร้องเพลงไปด้วยแล้วเราก็เดินตามความฝันของเราไปด้วยทํางานตามหน้าที่ไปด้วยถ้าเราสามารถที่จะผสมกลมกลืนกับมันได้เนี่ยชีวิตมันเป็นกําไรจริงๆนะคะเต้นเคยเห็น ตัวอย่างในทุรศทัตเห็นไหมคะที่เข้ามาประกวดร้องเพลงกันนะคะเน้นยังชื่นชมนะคะบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้รางวัลเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่เขามีความสุขกับการร้องเพลงเพราะฉะนั้นเขาจะขายไก่ย่างขายดอกไม้ขายไอติมเขาก็ร้องเพลงไปด้วยลูกค้าเยอะเลยเห็นไหมคะเขามีความสุขแล้วทีนก็ไปอ่านเจอชีวิตของแท็กซี่ที่แสนจะน่ารัก ก็ขอประสานโทษที่ไม่ได้จําชื่อท่านมาในรถท่านน่ยมีขนมเต็มเลยค่ะมีน้ําด้วยเป็นขวดๆเลยทราบว่ามีคนไปสัมภาษณ์ด้วยเออท่านบอกว่าบางวันอ่ะท่านได้ติปห้าบาทสามบาทสองบาทดังนั้นคืนกําไรให้ผู้โดยสารเพราะเชื่อว่าบางคนก็หิวหิวน้ําหิวข้าวหิวขนม แล้วบางคนก็ต้องนั่งอยู่ในรถนานๆานเบื่อดังนั้นในรถท่านนะคะมีน้ำมีขนมกรุบกรอบๆแล้วก็มีอะไรๆที่ไว้บริการฟรีเป็นการคืนกำไรให้สังคมน่ารักสุดๆเลยแล้วรถบางคันก็เป็นรถกระปุกบุญเดินเจอเด็กก็จะดีใจเพราะเขาก็จะมีกระปุกบุญที่เขาล็อกกุญแจนะคะแล้วเขาก็บอกว่า เขาไม่เปิดเองนะแต่จะนำไปเปิดเมื่อนั้นเมื่อ น, นี้เมื่อนู่นและส่วนใหญ่กระปุกบุญที่เห็นเนี่ยจะเป็นกระปุกบุญของท่านเจ้าคุณอารม์กฎวัดพระพุทธบาทน้ำพุเขาบอกว่าเขาขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสะพานบุญให้แก่ผู้โดยสารเพื่อไปช่วยเหลือสถานที่แห่งนี้ที่ท่านเจ้าคุณอารงก์กฎท่านดูแลผู้ป่วยโรคเอสเห็นไหมคะ บ้านเมืองเรามีความน่ารักเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองในแง่ค้อนกันนิดๆคืองกันหน่อยๆ ย, ยักไหล่ใส่กันนิดๆเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่อย่าถึงกับตีกันเลยนะคะอย่าถึงกับทำลายชาติบ้านเมืองด้วยกันสร้างอะไรอะไรอะไรกันเลยคุณพันธ์ทราบไหมคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเดนก็มีเรื่องตกใจอกสันแข ว, น, ข ว, น, ขวนกับเขาด้วยเหมือนกัน เคยได้ดูข่าวเคยได้ฟังข่าวเคยได้ยินข่าวแต่วันนั้นตัวเองตื่นเต้นซะเองค่ะเราได้ไมีคเนียได้เนาะเพราะไม่ได้กล่าวโทษใครเดียงก็ออกจากที่ทำงานช้าช้ากว่าทุกวันก็นึกแย่แล้ววันนี้ต้องไปยืนเข้าแถวรถตู้ค่ะแข็งเป็นชั่วโมงช่วโมงแน่แล้วเพราะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเป็นจุดที่จะต้องไปขึ้นรถตู้กลับบ้านแต่คุณผู้ฟังที่เคารพค่ะ ดีฉันไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกือบห้าโมงปรากฏว่าวินรถตู้ที่จะไปบ้านดีฉันย่านรามอินทราเนี่ยมีแต่รถจอดรอคนสามวินเลยค่ะสามวินซึ่งเคยมีเข้าแถวรอกันเป็นไส้อวขดเลยนะคะปรากฏว่าเมื่อวันพฤหัสบดีสามวิน ไม่ไว่าจะเป็นหัวนั้นหัวนี้หัวนูน่นต่างก็มีรถตู้จอดรออยู่และตะโกนร้องเรียกผู้โดยสารเป็นเสียงเดียวกันมินบุรีครับมินบุรีครับมินบุรีครับดิฉันก็ผ่านสองวินไปด้วยความแปลกใจก็มาถึงวินที่ตัวเองประจำเอา้ามีรถจอดรอสองคันเนี่ยก็ถามหนุ่มน้อยคนขุมวินวันนี้เกิดอะไรขึ้นลูกอ๋อป้ามันมีขาวระเบิดคนก็กลัวระเบิดเขาก็เลยไม่มาตรงนี้ โอ้ฟังแค่นี้ฉันก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะถามว่าพูดเล่นหรือพูดจริงลูกเขาพูดกันอย่างนั้นนป้าเท่านั้นเองความรู้สึกเราก็หวั่นไหวและได้โปรดเถิดไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมอย่าปล่อยให้คนอื่นอย่าทำให้คนอื่นโตก๊กระจายกันเลยนะคะขอร้องเรารักใครเราทำให้บ้านเมืองของเขาผู้นั้นและบ้านเมืองของเรา สงบด้วยกันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเชา้านี้ดิฉันพนธธรรมเนียมอินรายการชีวิตวัฒนธรรมคงต้องลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้าตีสถึงตี5ทาง SM89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้มีความสุขกันมากๆนะคะแล้วพบกันอาทิตย์หน้าวันเสาร์ค่ะสวัสดีค่ะ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 บาแลโดนเขารังแกเกิดเป็นแผลข้างใ น, นเข้าแทงเข้าทิ้งถูกที่ริมหัวใจเจ็บแท่ทนไม่ไหวเป็นแผลใจอยู่นะนลบเลี้ยแผลใจให้ใหายเจ็บ คนรักใจดังเยียบยามแหลกหัวใจเขายิยม่มจิตเยียมเปลี่ยมเหมือนมารไม่ปราณีสงสารคิดประหารให้ตายหามุมสงบเพื่อประคบประงม พระทมให้ฉันตรมเหือดหายหลบตัวเลียแผลที่พายแพ้หุนหวายเพื่อรักษาให้หายให้ฉันคลายอุราต่อวันนี้ไปกงไม่หมดหมองเอารักมาก่อน จะไม่ร้องกลับมาเพราะโดนค้าเข็นผิดได้เป็นวิชาให้รักมาท่วมฟ้าไม่พาวาวันวา ร้องกลับมาเพราะโดนข้าเข็นติดได้าเป็นวิชาให้รักมาท่วมฟ้าไม่ผวาวัน